ธรรมะใกล้ตัวฉบับยี่สิบเก้าเรื่องสั้นห้าตอนจบโดยเมรินตอนหนึ่งหลงพบข้าคือมหากษัตรสุริยราชผู้ยิ่งใหญ่ข้าคือนายเหนือหัวของพวกเจ้ายุดยูนีรนจุนเด็กสุขประเสียงกลนด่าทอที่ดังไล่หลังและเสียงฝีเท้าของเหล่าทหารที่กรูใกล้เข้ามา ไม่ได้ทําให้เด็กน้อยรู้สึกประหวั่นพรั่นพรึงใดๆเสียงหัวเราะดังขึ้นรอบบริเวณชาวเมืองต่างพากันเห็นเป็นเรื่องขบขันเด็กๆวัยซนหลายคนหยิบก้อนดินคว้างปามาที่เขาหญิงอัปลักคนหนึ่งปรีบพาร่างกายภ่ายผอมภายใต้เสื้อผ้าเก่าคร่ำคร่าสุดตัวลงนั่งกับพื้นบังเขาไว้อาไปให้ลูกค้าท่านอไปให้ลูกค้าด้วยนางวิงวอนได้น้าตา ทามกลางสายตาดูแคลนรอบกายริบบ้านและพืชผลทั้งหมดเข้าขาหลวงโทษฐานที่บังอาจอ้างชื่ออดีตองเหนือหัวเจ้าริบบานเจ้าเด็กสกรปรกคนนี้ออกไปอยู่นอกเมืองและอย่าให้ข้าเห็นหน้ามันอีกมิฉชนั้นข้าจะจับตดคอซสียทั้งแม่ทั้งลูกเสียงขู่สำทับจากอมร์เท่าดังราวกับฟ้าผ่าเด็กน้อยจ้องมองเขาได้ใส่ตาทะมึนถึงความคับแคนแล่นมาจุกอ ก, อก คนเหล่านี้ล้วนเคยเกรงกลัวเขาจนตัวสั่นมอบกราบอยู่แทบเท้าทุกครั้งที่เดินผ่านจะพวกบ้าเราค่าตัวกวนี้อีกสักหน่อยเถอะข้าจะให้เจ้าเป็นฝ่ายร้องขอชีวิตข้าจะเอาทุกอย่างที่เคยเป็นของข้ากลับคืนมาลมหอบใหญ่พัดมาวูบหนึ่งใบไม้ปลิวร่วงกราวเต็มพื้นถนนสองข้างทางประดุดหนึ่งจะร่วมเป็นสกีพยานให้เด็กน้อย ดึกสงัดอากาศรอบริเวณเย็นเยอือกฟากฟ้าเหนือนครกำปะมาตันสงบเงียบปรากฏแสงสว่างว่าเป็นลำยาพุ่งตกลงมาสู่ป่าทึบหลังกำแพงเมืองดาวตกบุรุษหนุ่มร่างสูงโปร่งผู้หนึ่งกำลังยืนกอดอกกวาดสายตามองไปเบื้องหน้ากระแสลมแรงพัดโชยมาเป็นระลอกต้องพงหญ้าน้อยสองข้างทางให้เอ็นราบลง พระหนึ่งจะนอบกายลงหมอบแทบเท้าบุรุษผู้กำลังยืนอยู่เบื้องหน้าตนกำแพงใหญ่ตั้งตรงงานสูงทะมึนเหมือนปราการอันแข็งแกร่งปกป้องมหานครจากอริราชศัตรูภายนอกแต่ทว่ามันก็มีอาจขวางกั้นเขาหลังต้นไทรใหญ่ใต้เนินเล็กๆปกคลุมไปด้วยพงหญ้าหนานั้นมีอุโมงค์ลับใต้ดินลอดผ่านกาแพงเมืองไปถึงใต้พื้นห้องเก็บสตราวุธ ชายหนุ่มคุ้นเคยกับช่องทางลับนี้ดีด้วยเขาเองเป็นผู้สร้างมันไว้เมื่อสิบกว่าปีก่อนและบัดนี้มันกำลังจะถูกใช้งานอีกครั้งภาพของพระขันแสงเพชรเปล่งรัศมีส่องประกายแวววับวางอยู่บนผานทองปรากฏขึ้นในความทรงจำโดยอนุภาพอันน่าเกรงขามของสัตราวุธพิเศษซึ่งไม่มีผู้จะสามารถต้านทานได้นี้ เมื่อมันมาอยู่ในอุ้ง ม, มือเขากระสัชราผู้กำลังประชวนรอจะหารสู้เขาได้โอกาสที่รอคอยมานานใกล้จะมาถึงเราให้ดึกกว่านี้อีกสักหน่อยเถอเขาจะแอบลอบเข้าไปปรงพรชน สุบสาสบสาเหมือนอะไรบางอย่างกําลังเคลื่อนไหวอยู่ข้างหลังเขาทําให้ต้องรีบเหลียวหลังมองกลับไปทันทีเจ้าของเสียงนั้นปรากฏกา ย, ย่ใต้ต้นไม้กําลังจ้องมองมาที่เขาด้วยดวงตาสีมรกตสว่างใสแตกต่างกับกายสกรปรกทรงกลิ่นสาบเหม็นหืนนั้นอย่างน่าชงน เขารู้สึกเหมือนมีแรงดึงดูดบางอย่างผลักดันให้เร่งสาวเท้าเดินเข้าไปใกล้ๆด้วยความสนใจใครรู้สัมผัสพธธิเศษที่ติดตัวมาแต่กำเนิดบอกให้เขาค้นหาความจริงที่อยู่ลึกลงไปในดวงตาประหลาดคู่นั้นเชิญติดตามตอนต่อไปได้ในธรรมะใกล้ตัวฉบับที่31เสียงอ่านโดยพงเพชรอมรศิล์และอลิสาชัตรานนท์